พระอรหันต์ที่จำพันษาอยู่ในชายขาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลักตาก็เห็นเป็นใครกันกราบพระอรหันต์ท่านใดได้บุญทันที ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องลูกแม่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชนเผ่าโบราณอยู่สองเผ่าเป็นอริต่อกันและมักจะหาเรื่องสู้รบกันอยู่บ่อยๆชนเผ่าที่อยู่บนภูเขามีชื่อว่าเผ่าภูผาอีกชนเผ่าที่อยู่พื้นราบด้านล่างชื่อเผ่าดินดำวันหนึ่งบนภูเขาขาดแคลนอาหารอย่างหนัก เผ่าภูผาจึงยกพลลงมาระรานเผ่าดินดำเพื่อหวังจะยึดเสบียงมาเป็นของตัวการสู้รบกินเวลาไม่นานไม่มีใครชนะใครแต่เผ่าภูผาสามารถแย่งทิงอาหารและทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเผ่าดินดำไปได้ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเผ่าภูผาถอนกําลังถอยร่นขึ้นภูเขาไปแล้วชาวเผ่าดินดำจึงได้รู้ว่ามีทารกชายคนหนึ่งถูกจับไปเป็นตัวประกันด้วยเด็กคนนั้น เป็นลูกของใครกันหัวหน้าเผ่าดินดำถามทันทีเมื่อรู้ข่าวนักรบคนหนึ่งตอบว่าลูกของหญิงไม้านามว่าเมซีอาขอรับเหตุใดนางจึงเป็นไม้หัวหน้าเผ่าถามอีกสามีของนางเป็นนักรบในเผ่าของเราและเขาถูกฆ่าตายในการรบครั้งที่แล้วขอรับหัวหน้าเผ่าดินดำรอบถอนใจก่อนจะถามต่อว่า ตอนนี้เมซีอารู้ข่าวร้ายนี้หรือยังเมซีอารู้แล้วขรับและนางเสียใจมากจนวิ่งเตลิดหายไปไหนก็ไม่ทราบพวกเราพยายามตามนางไปแต่ก็ตามไม่เจอขอรับหัวหน้าเผ่าเห็นใจหญิงไม้เมซีอาอย่างจับใจเขาจึงไม่ปล่อยปากและช่วยเหลือนางด้วยการสั่งให้นักรบจํานวนหนึ่งเดินทางขึ้นไปยังเผ่าภูผาและนาลูกชายของเมซีอากลับมาให้จงได้ จากนั้นจึงค่อยตามหาตัวผู้เป็นแม่ในภายหลังเผ่าภูผาตั้งอยู่ในยอดของภูเขาแห่งนั้นแต่เผ่าดินดำไม่เคยชินกับการปีนเขามาก่อนดังนั้นแม้นักรบทุกคนจะเป็นชายชะกันที่มีเรี่ยวแรงมากแต่พวกเขาก็เดินทางขึ้นเขาได้แค่วันละไม่เกินหนึ่เเท่านั้นจนล่วงเข้าสู่วันที่7 เหล่านักรบก็เริ่มอ่อนล้าและถอดใจกับการปีนเขาที่ทุลักทุเลและไม่คืบหน้าไปสักเท่าไหร่หลายๆคนจับกลุ่มคุยกันและเสนอความคิดว่าควรจะยกเลิกภารกิจนี้เสียนี่ก็ล่วงมาเจ็ดวันแล้วเรายังไปไม่ถึงไหนเลยเสเบียงที่นำมาก็แทบจะหมดอยู่แล้วข้าว่าพวกเราเก็บของกลับกันดีกว่า ขืนเดินทางต่อไปเป็นเด็กตายกลางทางกันหมดเป็นแน่นักรบคนหนึ่งเสนอเรื่องนี้ต่อเพื่อนๆ อ, อ้าวแล้วเด็กละ่ะอีกคนถามหลายวันอย่างนี้กว่าเราจะไปถึงที่นั่นบางทีพวกเผ่าภูผาอาจจะฆ่าเด็กไปแล้วก็ได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรเล่าถ้าเราไปถึงแต่เด็กคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ท่านหัวหน้ากำชับเราให้หาเด็กให้เจอนะ ว่าท่านหัวหน้าเองก็คงไม่คาดคิดหรอกว่าการเดินทางขึ้นภูเขาจะยากเย็นแสนเข็ญและใช้เวลามากขนาดนี้ถ้าท่านรู้อย่างที่เรารู้ท่านก็คงสั่งให้เราถอนกำลังเหมือนกันละหลังจากใช้เวลาถกเถียงเรื่องนี้กันอยู่พักใหญ่ในที่สุดทุกคนก็ตกลงกันว่าจะถอนกำลังกลับในระหว่างที่กาลังเก็บข้าวของอยู่นั่นเองจู่จนักรบคนหนึ่งก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจว่า พวกเราดูนั่นสิมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาทางนี้นางคือเมซีอาใช่หรือไม่ทุกคนหันไปมองเป็นเมซีอาจริงๆแต่นั่นไม่น่าตกใจเท้าหอผ้าในอ้อมอกของนางนางอุ้มลูกชายของนางกลับมาด้วยเรานักรบวิ่งไปหาเมซีอานางดุูเหนื่อยอ่อนมากแต่ก็ไม่ยอมส่งลูกชายให้ใครอุ้มช่วย พวกนักรบจึงช่วยกันหาน้ํามาให้เมซีอาล้างหน้าและดื่มแก้กระหายเจ้าไปพบลูกชายที่ไหนหรือเมซีอาพวกภูผามันทิ้งลูกของเจ้าไว้กลางทางอย่างนั้นหรอเปล่าเลยท่านข้าตามเผ่าภูผาขึ้นไปถึงยอดเขาและอ้อนวอนขอให้เขาคืนลูกชายแก่ข้าพวกนั้นเห็นใจจึงยอมคืนลูกชายมาให้ข้าในที่สุดนักรบฟังเมซีอาพูดแล้วถึงกับตะลึงตาค้าง ขึ้นไปถึงยอดเขาเจ้าคนเดียวภายในเจ็วันน่ะเหรอขนาดพวกเรายังทำไม่ได้เลยเมซีอาตอบว่าข้าเองก็ไม่ทราบว่าตัวเองทาได้อย่างไรข้ารู้แต่ว่าข้าต้องไปเพราะลูกของข้ารอข้าอยู่ที่นั่นเป็นธรรมดาของคนเป็นแม่ถึงอย่างไรก็จะไม่มีวันทิ้งลูกแต่สำหรับพวกท่านท่านไม่ใช่พ่อแม่ของลูกชายข้าและเขาก็ไม่ใช่ลูกหลานของท่าน ท่านมหาเขาตามหน้าที่แต่ไม่ได้มาด้วยความรักหน้าที่อาจทําให้ท้อถอยได้ในวันหนึ่งแต่อนุภาพแห่งความรักจะให้พลังกับเราตลอดไปเหล่านักลบฟังเมซีอาพูดแล้วถึงกับน้ําตาไหลพรากด้วยความซาบซึง้งเมื่อกลับลงไปถึงเผา่าพวกเขาก็นําเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในชนเผ่าฟังทุกคนล้วนสรรเสริญเมซีอาและยกย่องให้นางเป็นยอดหญิงคนแรกแห่งเผ่าดินดํา เธอทั้งหลายในฐานะแม่เมซีอาไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นิทานเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงแม่บางคนอาจจะทำเพื่อลูกของเธอมากกว่าที่เมซีอาทำาสะอีกทั้งหมดนี้ล้วนมาจากพลังแห่งความรักที่คนเป็นแม่มีให้แก่ลูกเราอาจจะคิดว่าเราเองก็รักแม่มากแต่นั่นไม่มีทางเท่ากับที่แม่รักเรา เพราะเรารักแม่อย่างมีข้อแม้อย่างน้อยเราก็ต้องการความรักความอบอุ่นจากท่านแต่แม่รักเราโดยปราศจากเงื่อนไขและอยากให้สิ่งดีๆกับลูกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงต้องเห็นใจแม่กอดแม่บ่อยๆหอมแม่นานๆมอบความเป็นลูกที่ดีให้แก่แม่ทุกวันและเคารพแม่ของเราเสมอ ในโลกนี้พอแ ม, ม่คนรู้เกื้อหนุนไมตรีสัพพันธ์และเทเวดาขอมอบความรักแดคันดี